กะถินสังกกรรมอย่างหนึ่งส่งอนุ ญ, ญาตให้ทำในเดือนท้ายฤดูฝนเกี่ยวกับการรับผ้ามาทำจีวอนเปลี่ยนชุดเก่าเป็นชื่อของไม้สดึงสำหรับคึงผ้าทำจีวอนกะถินดอะหรือดอกกะถินกะถินสิ้นสุดด้วยเหตุสองอย่างคือหนึ่งสิ้นอาวาสปริโพธ ได้แก่หมดความกังวลในอาวาสคือไปเสียโดยไม่คิดกลับ 2. จีวรปริโภธิได้แก่ความหมดกังวลในจีวรคือทำจีวรเสร็จแล้วหรือทำค้างอยู่แต่เสียหายด้วยเหตุบางอย่างหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาทำจีวรใหม่อีกรันหมดความกังวลทั้งสองประการแล้วเรียกว่ากระถินดอก คาสิทธิ์ที่จะถือเอาประโยชน์แห่งการได้กรานกฐินตามสับคือรื้อไม้สะดึงก่นสิกขาบทคือติดเตียนสิกขาบทกรรมวาจาวิบัติคือคำสวดประกาศกิจการในถ่ำกลางสงไม่สมบูรณ์ไม่ถูกใช้ไม่ได้ กรรมเมวาจาสมบัติคำสวดประกาศกิจาการในถ้ำกลางสงสมบูรณ์ถูกต้องใช้ได้กรานกะถินคือสรงพร้อมในการยกผ้ากะถินที่เกิดแก่สงในเดือนท้ายฤดูฝนให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งภิกษุผู้ได้รับเอาผ้านั้นไปทำจีวรครองผืนใดผืนหนึ่งให้เสร็จในวันนั้นแล้วมาบอกแก่ภิกษุสง ผู้ยกผ้านั้นให้เพื่ออนุโมทนาภิกษุสงฆ์เหล่านั้นอนุโมทนากรานกระถินตามสับคือลาดหรือปูหรือทาบไม้เสดึงกริดเครื่องประหารชนิดหนึ่งเป็นมีดคดไปคดมาปลายแหลมมีคมสองข้าง กะหาปะนะเป็นหลักมาตราเงินในอินเดียสมัยพุทธกาลมีราคาสี่บาทครั้งนั้นเท่ากับหนึ่งกะหาปะนะกระเทยคือคนหรือสัตว์ที่ไม่ปรากฏว่าชายหรือหญิงกันคือเรื่องหมวดตอนส่วนหนึ่งของเรื่อง ปิยหมายถึงสมควรคือของที่ควรแก่ภิกษุกรรมมรคัญท ก, กะหมวดห็งพระวินยัยว่าด้วยเรื่องการลงโทษมีมาในคำภีจุลวัช ก, กามฉันความพอใจในกามคุณห้ามีรูปเป็นต้นการมสุ ข, ขันลิกานุโยก คือการประกอบตนให้พัวพันด้วยความสุขทางกามาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายกายสังสักคะคือความเกี่ยวข้องทางกายการเคล้าคลึงการจับหรือรลูกคลาด้วยกายการลัปักหมายถึงข้างแรม14วันบ้าง15้าวันบ้าง เป็นหนึ่งการละปักกำนัดคือยินดีระวนระวายนิกามคิดถึงด้วยความรักอิงกามอยากทางกามกิจวัตรข้อปฏิบัติที่ทำประจำกิจทางศาสนาที่ทำประจำวันข้อที่ประสงค์ทำประจำวัน กิเลสกรรมเครื่องเศร้าหมองใจที่ให้ใครคือราคะโลภะอิจฉาความอยากได้อิสาความริษยาหรือหึงหวงอารติความไม่ยินดีด้วยอสันตุถีความไม่สันโดษเป็นต้นแกงใด คือรอยกรารกบาทหรือขีดเขียนซึ่งคนไม่รู้หนังสือขีดลงไว้เป็นสำคัญโกศิยวักมิสักิยะปาจิตติวักที่สองวดแห่งสิกขาบทว่าเดืยวเรืองสันทัดคนเจียมเจือด้วยไหมเป็นต้น